สิกขาบทที่7ว่าได้การไม่ภาวณาในสงฆ์สองฝ่ายเรื่องพิษุณีหลายรูป1 0ึสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพิษุณีหลายรูปออกพรรษาในอาวาสใกล้หมู่บ้านแล้วพากันไปกรุงสาวัตถี ภิกษุณีทั้งหลายได้กล่าวกับภิกษุณีเหล่านั้นดังนี้ว่าท่านทั้งหลายจะบรรษาที่ไหนได้ปรวรณาต่อภิกษุสงฆ์แล้วหรือภิกษุณีเหล่านั้นตอบว่าพวกเรายังไม่ได้ปรวรณาต่อภิกษุสงฆ์เลยโชคลาภภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามโพลนธนาว่าฉนันในพวกภิกษุณีจะบรรษาแล้วไม่ปรวรณาต่อภิกษุสงฆ์เล่าครั้นแล้ว